ตาธรรมเทศนาแผ่นที่107ลํรดับที่11โดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเชือกมัดควายวันนี้หลวงพ่อคงจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคณะทายาทโจมพาะเนลูกหลานเดี๋ยวจะเอา MP3 ครูบาท่านเลือกไว้แล้วล่ะที่พูดในคณะจัดธานญาติโยมได้ฟังถ้าจะว่าไปไก็เป็นการแนะนำเอ็มพสามส่วนหนึ่งเพราะว่าถึงหลวงพ่อจะไม่อยู่หลวงพ่อจะไม่ได้เทศเอ็มพสามหลวงพ่อก็พูดเป็นจิตญาลักษณะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยิน เหมือนกัหลวงพ่อพูดทุกประการพอหลวงพ่อได้พูดไว้แล้วในเอ3สามที่คัดคัดสรรมาเพื่อให้กับเข้า ก, กับการสถานที่บุคคลอย่างพวกเรามาในวันนี้พวกเรามาเพื่อฟังเทศมาเพื่อปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเอากันเทศกันที่เคยผ่านมาแล้วนะ่ะ เอามาเปิดซ้ำอีกให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อว่าเกิดประโยชน์แล้วก็เมื่อเร า, าไปนัสถานที่ใดจะอยู่ในบ้านลรวอยู่ในรถพอที่จะมีเปิดเครื่องเสียงได้เราก็ฟังไปเรื่อยเพื่อการศึกษาเรียนรู้นี่แหละธรรมะเมื่อฟังเมื่อ ฟังไปแล้วเรียนไปแล้วศึกษาไปแล้วนะมันเป็นเป็นเครื่องระบายคลายทุกออกมาจากจิตใจนะจตหิญาตโยมไม่ไม่เหมือนฟัง เ, เรื่องโลกเรื่องสองสารเรื่องลบลาข้าวฟันกันอาวุธประเทศนั่นดีอาวุธประเทศนี่ดีจะห้่มหันกันผลในที่สุดเราเห็นโอโหโ ห, หวาดระแวงกลัวเพ้อเพ อ, เพ อ, เพอจะเป็นบ้าเป็นบออีกต่างหาก พอกลัวรล้เบิดเขาไม่รู้จะหลบไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนฮนี่แหละถ้าเราศึกษาหรืออ่านทางโลกหรือฟังทางโลกมากๆเนะี่ยมันจะพิตกปังกังวลไปอย่างนั้นถ้าเราฟังธรรมะเราจะอยู่ที่ไหนจะไม่ตายขอําการให้ประกอบคุณงามความดีเท่านั้นแหละไม่ต้องกลัวกลัวทําไมกลัวเท่าเก่าไม่กลัวก็เท่าเก่านะ ฟังตรงทมันก็ใช่พอตอนั้นเราได้ฟังธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วนะ่ะมันจะผ่อนคลายความไม่ตกกลางบนผ่อนคลายความทุกข์ในจิตในใจของพว ก, กเราได้นะคณะจต่ายญาติจุ่มพอตอนได้ฟังเรื่องธรรมะไม่ใช่จะแนะนําธรรมะของหลวงพ่ออย่างเดียวนะธรรมะกูบายจาย์ที่ท่านพูด ในเทปในหนังสือในเทปใน m อ3สแต่โดยมากเป็นธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเครื่องอัดของท่านไม่ดีเท่าไหร่น่าเสียดายเวลาท่านอัดไปแล้วเสียงก็ไม่ชัดเจนก็ทำให้พวกเราฟังแล้วก็ลำคาญหูเพราะเสียงเสียงไม่ชัดเจนเพราะนั้นเราก็เลย การฟังคา ร, รีด้อยลงไปแต่ตามที่จริงเนื้อหาสารธรรมะที่ท่านให้ไว้นะ่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันของหลวงพ่อนะ่ยยังอ่อนร้อยมากแต่ว่าเสียงยุคนี้สมัยนี้เสียงดีฟังเสียงดังฟังชัดเราก็เลยชอบฟังเสียงดังฟังชัดแต่เนื้อหาสารธรรมะหลวงพ่อก็ จอมยกให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แสดงธรรมให้ฟังละเอียดทีท่วนหลักเหตุผลนะอันนี้พวกเราก็ให้ฟังฟังนะที่หลวงพ่อแนะนำบอกกล่าวในะพวกเราก็ฟังนะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดวันจันทร์ที่เจ็ด สิงหาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระมือเช้านี่ก่อเป็นวันสมาทานศีลของพวกเรารักษาศีลหารักษาศีลอุโบสถรักษ า, าศีลแปคณะสัตยาญาติโจงก็มากพอสมควรพอตื่นตอนเที่ยงพระสงฆ์ก็เป็นวันอุโบสถเป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถก็ได้ลงอุโบสถตอนเที่ยงวัน และก็พร้อมกันวันนี้เนี่ยเป็นวันหนึ่งเดือนพอดีนะ เ, เข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดิบพอดีวันนี้ก็ยังอีกสองเดือนจากนี้ไปก็เป็นวันออกพรรษานี่แหละพอตกตอนเย็นอย่างวันนี้พวกเราก็มาร่วมมารวมกันไหว้พระทาวัดเย็นพร้อมกัน เ, เป็นการฝึกซ้อม ให้พร้อมกันถ้าว่าพวกเราไม่ไม่ฝึกซ้อมพร้อมกันถ้าไปสวดขึ้นมากับไปโคนอาทิตย์โคนทางไม่รู้จักวิธีการการดูรวมกันร่วมกันเพราะ น, นั้นเราจรึงเจ็ดวันเราก็มาฝึกซ้อม <c oughs> ในการสวดมนต์ไหว้พระอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นและปฏิบติมาหรืออย่างวันนี้ละ่ะนะแล้วก็พร้อมกัน ในเมื่อเราทำวัดจบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อที่เคยผ่านการผ่านวัยผ่านการศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เคยประพุทธปฏิบัติมาอย่างไรหลวงพ่อก็จะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้พบสบได้ประสบประการมาด้วยตนเองได้ฟังมาได้ศึกษามา ก็มาถ่ายทอดถ่ายเทให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายาได้ยินได้ฟังไปแล้วอพวกเราก็ไม่ใช่วลาจะรับไปทั้งดุลก็ไม่ใช่พวกเราก็นําไปการกลองไตร่ตรองแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติเองเมื่อเห็นผลแล้วนะเนี่ยเมื่อเห็นผลถูกต้องพวกเราจึงค่อยยอมรับเพราะอ้ไรเพอเราได้ผลแล้ว ที่ท่านชี้นำชี้นแนะไปเนี่ยไม่ผิดพอปฏิบัติไปแล้วเห็นผลนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้เข้ามาฟังเข้ามาศึกษาหลวงพ่ออยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วแหละผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่ใช่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จบ เออมันไม่เหมือนวิชไ ม, ไม่เหมือนวิชาทางโลกของเขาถ้าวิชาทางโลกของเขาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปว่าเข้าใจเออแล้วก็จบเพียงแค่นั้นอันนี้ไม่ใช่นะแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติถึงจะเข้าใจแล้วก็เถอนเข้าใจในเป็นสัญญาเฉยๆแต่มันไม่ใช่ปัญญาในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติจะทํายังไงทําจิตใจให้สงบอย่างไร พวกเรานํำมาประพฤติปฏิบัติในเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจึงเป็นสมบัติของตนเองเมื่อจิตใจเขาสู่ความสงบได้แล้วน่แหละผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่ใช่ว่าเรียนศึกษาฟังแล้วจะรู้รู้ได้ไม่ใช่นะให้พวกเราให้ทำความเข้าใจในจุดนี้น ะ, ะไม่ใช่ว่าไม่เหมือนวิชาทางโลกวิชาตางโลกพอฟังเข้าใจแล้วกลับไปว่า จับได้เข้าใจได้ในเ น, เนื้อเรื่องนั้นๆแปลว่าเราฟังจบแล้วได้แล้วอันนี้ไม่ใช่นะ่ะอันนั้นได้แต่สัญญากับสังขารเท่านั้นเองสังขารคือความปรุงความแต่งสัญญาคือความจาได้หมายรู้ทนเองแต่ยังไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงเองอีกสักวันหนึ่งมันยังเตะตบเขามาได้ถึงจะรู้จาได้ขนาดนะ้กิเลสเป็นของไม่ดี อแต่สักวันหนึ่งกิเลสมันก็ตีเราอีกอย่างเก่าเอาจะทํำยังไงจิตกําจัดกิเลสตัว น, นั้นได้ต้องศึกษาอะไรต่อไต้องมีสมาธินี่แหละพวกเรามาคราวนี้ครั้งในทุกครั้งที่มาสู่วัดวาจาสน า, า, าสู่วัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อจะเน้นเรื่องเอถ้าจะเป็นสมาธิได้ต้องมีสติก่อนนะนี่แหละอันนี้พวกเรานั่งอยู่เนี่ยนะคือมี หนึ่งพร้อมพร้อมสติตนะจ๊นีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวอยู่ขณะนี้เรานั่งอยู่โดยนี้เรารู้ตัวเรานั่งอยู่ในสภาพเช่นไรอันนี้แปลว่ารู้ตัวสติคือความระลึกได้แต่ก่อนเราคิดไปทางอื่นคิดปรุงพุ้งไปทางอื่นเอาเถอะในช่วงนี้เราจะมานั่งภาวนาน เราจะระลึกระลึกขึ้นให้ได้เดี๋ยวนี้นวัดสติระลึกได้ให้มันอยู่กับตัวเองขณะนี้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในขณะนี้เนี่ยในเมื่อมีสติสัมปชัญญะขณะนี้ขณะนี้อยู่อย่างนี้กำหนดจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าเวลาหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพุทธโธตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านให้สำทับกับพุทธโธด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทอย่าปล่อยๆจะไปปล่อยอย่าไปวางพุทธโธนะเอายึดพุทธโธเป็นหลักนี่แหละในเมื่อเราภาวนาะหายใจเข้าพุทหายใจออกโท เรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเจงไม่ใหม้มันเผลอมันเผลอกดดึงกลับคืนมาพอมันเผลอกลับดึงกลับคืนมามหาพุโทโธที่ปลายจมูกนี่แหละถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่อย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งใจของเรามันก็มันออกไปที่แรกก็ไปไกลนะต่อไปามาันขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาเหมือนกับตะกอน เราปล่อยวัวควายเราไม่รู้จักรักษามันเป็นวัวควายปา่าทงไปหากินหญ้าที่ไหนต่อที่ไหนจากนั้นเราก็ต้อนไล่ต้อนมาหาแหล่งหาแหล่งหาคอของมันจากนั้นเราก็จับพอจับได้พยายามฝึกหัดให้จับได้เพราะปัญญาของเรานะอพอใช้ปัญญาต้องจับพอจับได้เราก็เอาเชือกมัดคอมัน พอเชือกมัดคอบัางก่อนที่แรกที่แรกก็ล่ามยาวไว้ก่อนอเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันคึกอแต่แรกก่อนต่อมาก่อนไล่อจับเข้ามายับเข้ามาเอพอได้สุดเกาะมาใกล้ๆอยู่ในเชือกเชือกนั่นคืออะไรคือสติสัมปชัญญะนะคือเชือกอกับกํากับจิตอยู่จิตเราคิดนึกคิดเรื่องอะไร อใจของเรานึกคิดเรื่องเรื่องอะไรสติของเราจับตัวผู้รู้คือใจอพอต่อมากระจับเข้ามาใกล้ๆอคล้ายๆมันคุ้นเชื่องเข้ามาอผลในสุดก็จิตใจจะรวมพอจิตใ จ, จรวมก็เหมือนควายหรือกัวมันนอนมันไม่ขยับมันนอนมันนอนอยู่กับที่นอนอยู่กับที่นั่นแหละ จากนั้น ม, มันพอมันขยับออกมาสติของเราก็ทันมันเองเอพอเท่มันก็ดึงลากมาเอเอผลีนสุดมันก็นอนเองสงบเองนี่แหละอันนี้คือวิธีการกำหนดดูกำหนดรู้เอาสติจับอยู่ที่ตัวผู้รู้คือใจจากนั้นมันก็กจิตใจก็นอนรวมสงบเลยจะี่เป็นหนึ่งนิ่ง สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้แหละ ว, ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินะในเมื่อจิตเป็นอัอปปนาสมาธิจิตที่เป็นสมาธิแล้วนะสําหรับผู้ที่จะเดินทางวิปัสสนาเะี่ยจะเดินยังไงท่นอนไม่ใช่ว่าจะอยู่ให้เพียงสงบเพียงแค่นั้นแล้วก็เพียงพอไม่ใช่นะคณะสัตว์ทายาโยมพระเนนลูกหลานนะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นของเรานะท่านไม่ให้อยู่เพียงแค่นั้น แต่สายอื่นเขาบอกว่าเวลานั่งจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะเกิดปัญญาเองมันจะเติดเดินทางวิปัสสนาเองแต่หลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวท่านน่ยอย่าหวังนะพูดอย่างนั้นเลยนะไทยคาว่าท้าทายเลยอย่าหวังว่าจะออกอย่างนั้นได้เวี้ยเสียแต่พวกคิ ป, ปะพิญญาพวกรู้ได้เร็วหัวหัวปล้ สติปัญญาเสียบแหลมมีอุปนิสัยมีบุญวาสนาเก่าเท่านั้นเองพอนั่งจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะกระโดดออกไปเดินทางวิปัสสนาถ้าว่านจิตใจธรรมดาไม่ใช่พวกคิปะพิญญาพวกทันธาพิญญาพวกรู้ใจช้าแล้วนะ เ, เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว เ, เป็นพื้นฐานแล้ว รู้รถแหงความสงบแล้วจิตใจไม่ปุงไม่ฟุ้งแล้วจิตใจอยู่ในคอนโทนคือสติควบคุมอยู่แล้วพอประมาณจากนั้นให้นาออกมาคิดนะให้ฟังเอาไว้ให้นำบังคับออกมาคิดแต่มันไม่อยากจะคิดนะเพราะอะไรมันอยู่ในติดอยู่ในความสงบมันติดอยู่ในความสงบมันจะไม่อยากจะคิดเลยมันจะอยู่ในความสงบเพราะมันมีความสุขกว่าเพราะ มันกิตออกมาข้างนอกนะ่ะมันจิตออกมาทํางานเหมือนกับเราไปออกไปทํางานตาแดดอย่างนั้นนะอ่ะเฮ้ยแไปอยู่ในร่มก็เถอะนะอไปใช้สมองไปใช้ความคิดไปดีดลูกคิดไปพิมพ์หนังสือเอไปเซ็นอะไรไปอ่านอะไรอย่างนั้นฉนะนั้นอ่ะให้คล้ายว่าให้เกิดให้เกิดผลงานนะเออมันไม่เหมือนเรานอนอยู่ในห้องฮห้องเย็นๆแล้วก็นอนหลับตาเอออยู่ตามลำพังเออมันสบายกว่า สบายกว่าที่เราออกเป็นนั่งคิดนะไปทํางาน น, ะนี่แหละใจมันจะไม่ชอบเรื่องการทํางานแต่มันไม่เป็นผลงานเลยจิตนะที่เป็นสมาธิเนี่ยนะมันผลงานไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานมีผลงานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไปพิจารณานําไปพิจารณาหาเหตุและผลเรียกว่าเดินทางวิปัสสนาอท่านบ่กพิจารณาอะไรเนี่ย บางคนก็พิจารณารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่มันนั้นมันไกลเกินไปท่านก็ว่าให้พิจารณาร่างกายตัวเองเนี่ยที่มันนั่งอยู่จู่เฝ้าตัวเองอยู่ตลอดอพิจารณาร่างกายนี่ยน่ยมันจู่ใกล้ใกล้เนี่ยแต่พิจารณาส่วนอื่นมันไกลไปท่านให้พิจารณาส่วนใกล้ใกล้เกษาผมโรมากุละขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก อย่างพวกเราได้ท่องเอเอายังโคเมกายโยจบลงนี่น่ะมีอะไรบ้างนะเอีนี่แหละไอ้พิจารณากายนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่กานบอกให้พิจารณาทางวิปัสนาวิปัสนาคือวิปัสสนึกนึกคิดค้นอใช้ความคิดค้นดูค้นดูร่างกายของตนเองมันมีอะไรบ้าง นี่แหละอันนี้คือใช้สัญญากับสังขารก่อนเหมือนกันนะอการพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัญญาทีเดียวเราไม่ใช่มันจะเป็นสัญญากับสังขารก่อนสัญญาคือความจําได้หมายรู้จําได้ ม, ดมร่างกายของเราเอามันมีอะไรบ้าง เ, เราเคยเห็นที่ไหนบ้างเอที่เอคนมันตายคนไปแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็คนมันอยู่นะันเป็นอย่างไรที่จำแหล่อาจารย์ใหญ่เป็นยังไงเอที่เราเห็น ในเรื่องต่างๆของมนุษยชาติต้องสัตว์ที่ร้ายชานแอบพวกเราชำแหละปลาชำแหละเเอนื้อเออีหงอีเห็นอะไรก็ตามหมูหมากาไก่อะไรก็ตามที่เราชำแหละคือวัวควายก็ตามร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอมันก็มีกระดูกมันมีเอตับมีปอดมีลำไส้เหมือนกันกับพวกสัตว์เหล่านั้น นี่แหละอันนี้ก็คือเราใช้วิปัสสนึกกันกรองตรายตองดูด้วยเหตุด้วยผลก่อนคราวนี้ไม่ได้เอาหยุดพักไปก่อนพักยกนะเหนื่อยแล้วอจากนั้นเข้ามาอีกคราวหนะ้าเข้าสมาธิแต่เรื่องสมาธินะเราจะไปปล่อยปล่าล่าเลยไม่ได้นะพอเป็นสมาธิแล้วแล้วเราจะหยุดสมาธิเราอย่ามาพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้ เราจะมาพิจารณาอย่างเดียวหรือจะเข้าสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ทั้งสองอย่างใครเ ข, าขา้าสมาธินี่ใครคิดว่าเป็นเครื่องพักกิตใจเหมือนกับเราพักผ่อนทานอาหารอิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนเอาแรงแลักษณะอย่างนั้นสมาธินะ อ, อม่ได้กินข้าวแล้วพักผ่อนเอาแรงจะมีผลงานไหมเราคิดดูสิจะหาเงินเข้ากระเป๋าได้หาเงินเกระเป๋าได้ไหมจัดฉเฉียวฉลาดได้ไหม ไม่ได้แต่ถ้าว่าพวกเราเอาเถอะมันเสียเวลาในการกินข้าวนอนพักผ่อนเราจะทำมันทั้งวีทั้งวันอ่ะพอทำทั้งวีทั้งวันไม่ไหวอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะงานทำงานทั้งวีทั้งวันผลที่สุดตารวยตาลายไปเหมือนกันเพราะอะไรมันเหนื่อยมันเพลีย เ, เพราะไม่ได้พักผ่อน เพนั้นสรุปแล้วก็คือสมาธิและวิปัสสนาเนี่ยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันสมาธิคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เนื่งคือการพักผ่อนของจิตและวิปัสสนาคือการกลั่นกรองไตรตรองหาเหตุและผลในเมื่อหาเหตุลผลมันเหนื่อยมันคิดมันเรื่องทำการทำงานก็ไปทานอาหารแล้วก็พักผ่อนพอพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ น, นามาคิดนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองหาเหตุผลอกีก หลายครั้งต่อหลายหนผิดผิด ถ, ถ, ถูกลองผิดลองถูกนะจนรู้แจ้งเห็นจริงเอจากนั้นก็เกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายคลายลรู้แจ้งเห็นจริงจิตใจก่อนนะปล่อยวางไหนะจะยึดทาไมที่ยึดไตรลักษณ์อเนจังทุกขังขอเนจตายึดทุกไหนะจะจึดยังไงยึดอเนจังของไม่เที่ยงยจะยึดยังไงยึดไม่ใช่ตัวตนของเราจะจึดยังไง เนี่ร่างกายเนี่มันจะทิ้งอยู่แล้วมันจะไปยึดมันได้ยังไงนี่แหละพอเห็นอย่างนั้นชัดเจนในความรู้สึกมันก็ปล่อยวางได้มันไม่ได้ปล่อยวางที่ไหนนะทำนะศรัทธาญาติโยมพระเนนลูกรานปล่อยวางที่ใจนี่แหละมันปล่อยวางที่ใจไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเราไม่ใช้สติใช้ปัญญาเราไม่นั่งภาวนามันจะไม่เห็นเนอจะไม่เห็นจุดนี้นะ ท่านนึกเดาเอาใช่นึกเดาไปเดาไปได้อยู่แต่ท่านนึกเดาไปเดาไปเมื่อเคลียไปเคลียรมาะกรันกรองไปกรันกรองมาไตรตรองไปตัไตรตรองมามันยอมรับของมันเลยยอมรับมาจากก้นบึ้งมาจากหัวใจอย่างลึกเลยสินี่เอพอยอมรับสินะมันปล่อยวางพร้อเลย ม, เมันจริง อจริงอย่างที่ทำคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงอย่าพรูดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดจริงๆอแต่เราในธรรมไมดันทุลังไปยึดไปยึดไปเกาะไปคล้องไปคิดว่าเป็นตัวตนของเราถึงขนาดนั้นนะเมื่อมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันปล่อยวางที่ใจลึกๆนะอพอปล่อยวางขึ้นมามันเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่นั่นแหละอมันรู้จะ ไม่รู้จะพิจารณาอย่างไงอีกเนะ่ะเพราะมันรู้แล้วเนยะจะทำอย่างไงมันรู้แล้วเห็นแล้วด้วยปัญญาจริงๆนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมันเป็นมาตั้งแต่ว่าสติสัมปชัญญะพุทะเป็นเบื้องต้นนะในเมื่อมีสติสัมปชัญญะเสร็จแล้วนะเราก็จะนํามาพิจารณาอวิกรรมกรรมฐานนะจนจิตเข้าสู่ความสงบเมื่อจิต สงบเป็นพื้นฐานถ้านํามาพิจารณาทางวิปัชนาทางออกทางด้านปัญญาทนี่นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้สังเกตอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวนะอะตอนนี้ไปเปิดเอ็มพสามลยนที่นี่นะนั่งขัดสมาธินั่นที่นี้ทุกคนนะั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วนะปนมมือขึ้นแล้ววางอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพราะว่าการนั่งภาวนาไม่ใช่หลวงพ่อนะเป็นผู้แนะนํานะหลวงพ่อมีแต่บอกกล่าวเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนกันมาแล้วหลวงพ่อมาบอกพูดกล่าวอีกในเมื่อหลวงพ่อตายไปแล้วกัพวกเราก็สอนกันต่อไปเอนะงนเพราะนั้นไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะนั้นท่านบอกเวาลานั่งสมาธิต้องไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนะวิธีการภาวนาเนี่ยพุโทโธ ทำโมคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสังโคคือพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศบอกกล่าวแล้วบอกพุโทโธทำโมสังโคซ้ำจ บ, จ, บจากนั้นเอามือลองอก่อนที่จะเอามือลองแผลแม่ตายก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพ เจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเทินแอจาจกนั้นก็เอามือลงนี่แหละอันนี้คือวิธีการภาวนาน ล, ลุกหลานนะเอาเปิดได้นะที่นี้นะ